ที่ไม่มีตัวกริยาปรากฏมีแต่คําว่ามาในภาษาบาลีทางไวยากรณ์เรียกว่าเป็นนิบาต ท, ที่แปลว่าย่าขอให้ดูสามข้อแรกเป็นตัวอย่างดังนี้มาอนุสเวนะย่าจุดจุดจุดด้วยการฟังตามกันมามาปรำปรายะย่าจุดจุดจุดด้วยการถือสืบกันมา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 หรือเกษาปุตตสูตรนี้มีในพระสูตรอื่นด้วยคือสาระสสตรและพัทธิยสูตรปรากฏว่าก็ไม่ต่างออกไปคือในอัถกถาของพัทธิยสูตรซึ่งก็คือเล่มเดียวกับอัธกถาแห่งกาลามสสตรนั่นเองก็อธิบายว่ามาคันหะทะซึ่งมีความหมายตรงกันนี่ก็แสดงว่าท่านผู้แปลพระไตรปิฎกภาษาไทย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 แต่ข้อหเพราะตั ก, กะเติมข้อความในวงเล็บว่าการคิดเอาเองครั้นถึงปลายปีพุทธศักราช2521ได้เริ่มเขียนเพิ่มเติมพุทธธรรมซึ่งขยายออกไปกลายเป็นพุทธธรรมฉบับปรับป ร, บรุงและขยายความที่พิมพ์เสร็จในปี2525แม้จะปรับปรุงและเพิ่มเติมมากแห่งแต่ในตอนว่าด้วยการามาสูตร ได้ตกลงคงคำแปลไว้ตามฉบับเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมตลอดจนพุทานานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลสัพท์ที่พิมพ์ครั้งแรกในปี2 5 2 2ซึ่งใช้คำแปลตามฉบับประมวลธรรมแต่นําคำแปลใหม่ว่าอย่าปร่งใจเชื่อนั้นไปใส่เพิ่มไว้ในคําชี้แจงที่เชิงอัดซึ่งก็ได้ขยายความออกไปด้วยดังนั้น